วันนี้เราก็มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้องพระบรมราศาสดาได้ทรงตรัสว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้ฟังเป็นทั้งปริยัติและเป็นทั้งปฏิบัติแล้วก็เป็นทั้งปฏิเวท การบรรลุผลขั้นต่างๆการฟังเทศหรือปริยัตินี้มีสองลักษณะด้วยกันปริยัต์แปลว่าการศึกษาการศึกษาที่เป็นปริยัติอย่างเดียวก็คือการศึกษาเพื่อจดจำเช่นจำชื่อต่างๆของบัธรรมที่ได้ยิน มรรคแมีอะไรบ้างมีสัมมาทิฏฐิมีสมัมสมาสังกรปรมีออพระอริยสัจสี 4, มีอะไรบ้างมีทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคอันนี้ถ้าฟังถ้าศึกษาเพื่อการจดจำก็จะเป็นปริยัตเพียงอย่างเดียวคือจำชื่อแต่ไม่รู้จักตัว ไม่รู้จักว่าทุกเป็นอะไรสมุทัยเป็นอะไรวิโรธเป็นอะไรมรรคเป็นอะไรการศึกษาเพื่อความจำนี้จะไม่ได้ประโยชน์เพราะจำยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้ปฏิบัติแต่มีการฟังธรรม หรือการศึกษาปริยัติอีกแบบหนึ่งที่เป็นการศึกษาพร้อมไปกับการปฏิบัติพร้อมไปกับการปฏิเวทคือการบรรลุผลการศึกษาอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติและเป็นปฏิเวทไปพร้อมๆกันก็คือการศึกษาเพื่อความเข้าใจไม่ได้ศึกษาเพื่อจดจำชื่อ อย่างที่ศึกษากันในมหาวิทยาลัยนี้ส่วนใหญ่จะคอยจดคำสอนของอาจารย์บ <c oughs> ันทึกคำสอนของอาจารย์เวลาอาจารย์พูดอะไรก็จะจดจะเขียนไปอย่างนี้เรียกว่าศึกษาเพื่อจดจำแต่ถ้าศึกษาเพื่อความเข้าใจก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจดจำตั้งใจฟังแล้วก็ พยายามทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นให้ได้สิ่งที่กําลังพูดอยู่สิ่งที่กําลังแสดงอยู่นั้นเป็นอะไรมีเหตุอย่างไรมีผลอย่างไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมานี่เรียกว่าฟังด้วยหลักของตากะหลักของเหตุของผล <c oughs> ธรรมนี้จะ เป็นเรื่องของตักกะล้วนๆคือเรื่องของเหตุของผลทำอย่างนี้แล้วก็จะเกิดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะไม่เกิดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าฟังแบบแบบปฏิบัติแบบปฏิเวทก็คือไม่ต้องจดจำฟังไปแล้วก็พยายามทำความเข้าใจให้เกิดขึ้น ถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็แสดงว่ายังต้องฟังใหม่ยังไม่มีภูมิปัญญาที่จะวิเคราะห์ทำที่มาสัมผัสกับหูได้อย่างในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมเทศนาครั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์ก็มีอยู่ห้ารูปด้วยกัน แต่หลังจากที่ได้ทรงสอนเรื่องอริยสัจสีก็มีเพียงรูปเดียวที่เข้าใจทำที่ทรงแสดงไว้<ม>คือพระอัญญาณโกนทัญญา<ม>ดังที่พระองค์ทรงได้อุทานว่าโกนทัญญะเธอรู้แล้วหนอเธอเข้าใจแล้วหนอะ<ม><ม>นี่แสดงว่าโกนทัญญาเข้าใจหลักของทุก์ สมุไทยนิโรธมรรครู้ว่าทุกข์อยู่ตรงไหนรู้ว่าสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์คืออะไรรู้ว่าการดับความทุกข์นี้ดับได้ด้วยมรรคแล้วมรรคนี้คืออะไรมรรคก็คือการเห็นความจริงของสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์เช่นร่างกายนี้ ญาณโกณทัญญาเห็นแล้วว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วย่อมต้องแก่ย่อมต้องเจ็บย่อมต้องตายไปถ้ามีความอยากไม่อยากให้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเป็นการมองไม่เห็นความจริงหรือเป็นการไม่ยอมรับความจริงของร่างกายว่าเป็นอนิจจังเป็น ทุกขังเป็นอนัตตาแต่ถ้ามีปัญญามีความฉลาดพอที่จะเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจมีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วต้องมีตายไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาก็คือห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บสั่งไม่ให้ตายไม่ได้ เป็นทุกขังถ้าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็คือยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายนี่เองผู้ใดยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแล้วผู้นั้นจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย หรือยอมรับกับการสูญเสียของสิ่งต่างๆที่เรารักไปหรือของบุคคลต่างๆที่เรารักไปถ้าเราเห็นสัจธรรมความจริงว่าของต่างๆสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนี้เป็นของชั่วกราวต้องมีวันพัดพลาดจากกันไปไม่ช้าก็เร็วเช่นวิดามาดา ครูบาอาจารย์สามีภรรยาบุติดาญาสนิทมิตรสหายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าเป็นอนิจจงเป็นสิ่งที่ต้องมีการสูญไปหมดไป ต้องมีการพัดพากจากกันไปถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะไม่มีความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆจากตนไปยินดีที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างจากไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆอันนี้คือการเห็นด้วยปัญญาเห็นอ น, นิจจัง เ็นทุกขังเห็นอนัตตาเหมือนกันเห็นนั้นจังว่ามีเกิดมีดับมีมามีไปเห็นอนัตตาก็คือสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาไม่ใช่เป็นของเราถ้าไปอยากให้เขาอยู่แล้วเขาไม่อยู่ก็จะเกิดทุกขังขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจความทุกข์ใจอันนี้เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ หรือถ้าเกิดขึ้นแล้วก็สามารถทําให้มันดับไปได้เช่นเราเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเราวิเคราะห์ด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่าพาอเรายังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่นั่นเองแต่เขาเป็นสิ่งที่เราไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราสั่งไม่ได้ เราก็อย่าไปอยากเสียเท่านั้นพอเราหยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะหายจากความถูกผู้ที่เห็นความจริงอันนี้ก็คือผู้ที่บรรลุธรรมนี่เองปฏิเวทนี่คือการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาแบบปฏิบัติปฏิเวท คือไม่ใช่ศึกษาเพื่อจำชื่อเท่านั้นหรือจำว่าวันนี้อาจารย์ได้พูดอะไรบ้างแต่ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเป็นเหมือนนกแก้วที่เราสอนให้บอกร้องแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอเอาแก้วยื่นให้กับนกแก้วเขาก็ไม่รู้เขาไม่ต้องการเพราะเขาเคยได้รับแต่กล้วยได้รับแต่แตงกวา เวลาเขาแก้วจา๋าแก้วจา๋าเราก็เอากล้วยให้เขาเอาแตงกวาให้เขาเขาก็งับใส่ปากไป <c oughs> เขาก็เลยคิดว่ากล้วยกับแก้วกล้วยกับแตงกวานี้เป็นแก้วเป็นเพชรแต่พอเราเอาเพชรเอาแก้วให้กับนกแก้วแก้วจ๋า ก, ก็ไม่เอาเพราะไม่รู้จักว่าเพชรนี้มีคุณค่าอย่างไร การศึกษาที่เป็นปริยัตคือเป็นการจำล้วนๆ น, นี้เรียกว่าปริยัตล้วนๆ <c oughs> ถ้าเป็นปริยัตล้วนๆแล้วก็จะไม่เกิดการปฏิบัติจะไม่เกิดการปฏิเวท ต, ตามมาอย่างที่เรากำลังมีการศึกษากันในสมัยปัจจุบันนี้จะศึกษาแบบปริยัตคือศึกษาเพื่อจดจำ แล้วก็เอาไปสอบความจำนี้กันในห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งถ้าจำได้สอบได้ก็สอบผ่านแต่การสอบผ่านนี้ไม่ได้หมายความว่าได้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมขึ้นมาเพราะว่าจิตใจนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจิตใจที่เคยทุกข์ก็ยังทุกข์อยู่จิตใจที่มีความอยาก ก็ยังมีความอยากอยู่ดังนั้นการศึกษาจึงมีสองรูปแบบด้วยกันศึกษาเพื่อความจดจําหรือศึกษาเพื่อการปฏิบัติการปฏิเวทไปพร้อมๆกันการศึกษาแบบปริยัตปฏิบัติปฏิเวทนี้ก็คือการศึกษาแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรง นำพามานั่นเองพระพุทธเจ้าจะมีการอบรมสั่งสอนพุทธบุตสัตว์เป็นประจำวันละสามรอบด้วยกันรอบบ่ายก็สั่งสอนข้ารวาดญาตโยมรอบค่ำก็สั่งสอนภิกษุสมมามเณรรอบดึกก็สั่งสอนเทวดาในแต่ละรอบนั้นผู้ที่ได้ยินได้ฟัง ถ้าฟังแล้วพิจารณาตามก็เรียกว่าปฏิบัติตาม ก, ก็เรียกว่าปฏิบัติเพราะพิจารณาจนเข้าใจน้องอ๋อขึ้นมาก็บรรุธรรมขึ้นมาอันนี้แหละคือวิธีศึกษาของพระพุทธศาสนานั่งเดิมเป็นอย่างนี้แต่มาสมัยปัจจุบันการศึกษานั้นกลับกลายเป็นของแยกกันไปเป็นคนละ ภาคไปเลยศึกษาเป็นภาคหนึ่งปฏิบัติเป็นภาคหนึ่งปฏิเวทเป็นอีกภาคหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เคยก้าวพ้นจากการศึกษาเพียงอย่างเดียวพอศึกษาเสร็จแทนที่จะปฏิบัติก็ไปเป็นอาจารย์เสียก่อนไปสั่งสอนแนวทางปริยัต ให้แก่ผู้อื่นต่อไปตามแนวทางที่ตนเองได้ศึกษามาสมัยนี้จึงไม่มีใครบรรลุมรรคผลนิพพานกันจากการศึกษาแบบปริยัติธรรมเพราะว่าไม่ได้ศึกษาแบบที่พระพุทธเจ้าได้ส่งนำพามาส่งธรรมมา ผู้ทรงสั่งสอนให้ผู้ฟังนั้นให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเมื่อเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจก็เกิดสมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นความเกิดปัญญาขึ้นมาพอเกิดปัญญาขึ้นมาก็จะสามารถทำลายโมหะอวิชชาต้นเหตุที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความอยากต่างๆ ที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาพอเกิดปัญญาก็สามารถระ ง, งับอวิชชาโมหะได้ระ ง, งับความโลภความโกรธความหลงความอยากได้ก็จะดับความทุกข์ต่างๆได้ได้จากการศึกษาปฏิบัติปฏิเวรไปพร้อมๆกันแต่ถ้าฟังแล้วยังไม่สามารถที่จะ พิจารณาตามได้ก็จะไม่สามารถบรรุได้ก็แสดงว่าเอนรีอยังมีไม่พอเอนทรีที่สําคัญคืออะไรก็คือสติเวลาฟังเทศฟังธรรมนี้ใจฟังอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าหรือว่าฟังแว๊บสองแว๊บแล้วก็หายไปไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้ยินแต่เสียง แต่ไม่รู้สับความหมายของเสียงที่ตนเองได้ยินเพราะัวแต่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่นี่ก็เป็นเหตุที่จะทำให้ <c oughs> การฟังเทศไม่ได้เป็นปฏิบัติเพราะว่าจิตใจไม่ได้จดจ่อด้วยสติไม่ได้รับรู้ไม่ได้น้อมเอาเข้ามาพิจารณาด้วยปัญญา หรือว่าถ้าฟังอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีปัญญาที่จะวิเคราะห์ตามได้ก็ต้องมาเจริญปัญญาเช่นมาพิจารณาเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ชำนานก่อนให้ให้มาพิจารณาว่าอนิจจังนี้เป็นอย่างไรอะไรคืออนิจจัง เช่นร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นอนิจจังเพราะอะไรอย่างไรถึงจะเรียกว่าอนิจจังอนิจจังก็คือไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมนั่นเองเช่นร่างกายนี้เหมือนเดิมหมในแต่ละวันนี้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีอยู่ตลอดเวลาอย่าว่าแต่ละวันเลยแต่ละวินาทีนี้ก็มีการเสื่อมลงไปที่ะเล็กเท่าน้อย เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นความแตกต่างของความเปลี่ยนแปลงในแต่ละขณะได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเรา <c oughs> ขยายเวลาออกไปเช่นหนึ่งปีสองปีหรือสิบปีลองดูภาพถ่ายที่ถ่ายไว้เมื่อสิบปีที่แล้วแล้วก็ดูหน้าตาที่เป็นอยู่ในวันนี้ดูเสว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าหน้าตาเหมือนกันหรือเปล่า ก็จะเห็นเลยว่าเป็นเหมือนคนละคนไปมีเขาโครงใบหน้าคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันจะว่าเป็นคนเดียวกันก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่ามันได้เปลี่ยนไปแล้วยิ่งถ้าใช้เวลาห่างขึ้นไปอีก20ปี30ปีนี่จะไม่รู้เลยว่าเป็นคนเดียวกันเช่นดูร่างกายตอนที่อายุ10ขวบ แล้วมาดูร่างกายตอนอายุห้าสิบขวดูแล้วลองให้บอกว่าคนนี้กับคนนี้เป็นคนเดียวกันได้หรือไม่มันเป็นคนละคนแล้วเพียงแต่ว่าสัญญาความจำจำอุปทานของเรายัางยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นคนเดียวกันอยู่แต่รูปร่างนี้มันคนละคนเลยเป็นของคนละอย่างไปนเลย อันนี้แหละเรียกว่าอันนี้อยงก็คือไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆบางอย่างก็เปลี่ยนเร็วบางอย่างก็เปลี่ยนช้าแต่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ศาลาหลังนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสังกษีที่มุงหลังคาี้ตอนมุงใหม่ๆก็ มีแวววาวแต่พอใช้ไปใช้ไปมันก็เสื่อมลงไปเสื่อมลงไปเรื่อยๆแผ่นใสที่ใสาขาวเห็นชัดทะลุเห็นชัดอย่างนี้ก็ไม่ได้ใสเสียแล้วมีคราบของอน้ำมาทำให้วัวไปหมองไป อันนี้ก็เรียกว่าอ น, นิจจังการที่เราจะมีปัญญาเพื่อที่จะน้อมเอาคำสอนของพอพรเจ้ามาปฏิบัติมาพิจารณาเพื่อให้เกิดปฏิเวทขึ้นมานี้เราจำเป็นจะต้องเข้าใจหลักของอ น, นิจจังว่าเป็นอย่างไรเข้าใจหลักของอนัตตาว่าเป็นอย่างไร หลักของอนัตตาก็คือไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ใครไปสั่งได้สั่งให้หยุดสั่งเช่นสั่งโลกไม่ให้หมุนนี้สั่งไม่ได้โลกต้องหมุนไปตามเมื่อของเขาสั่งให้ฤ ด, ดูไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สั่งให้พาธินี้ขึ้นตรงเวลาทุกวันไม่ได้การขึ้นลงของพาธิก็ไม่ได้อยู่คงที่เสมอไป ทุกวันก็จะมีการเปลี่ยนเวลาขึ้นเร็วขึ้นทีลนิดเทีลหน่อยขึ้นช้าลงทีละทละน้อยแล้วแต่ว่าอยู่ในช่วงไหนของปีอันนี้แหละคือเรียกว่าอนัตตาคือไม่มีใครที่จะไปสั่งไปควบคุมบังคับให้สิ่งต่างๆนั้น เป็นไปตามความต้องการของตนได้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วพอเข้าใจแล้วก็จะสามารถน้อมเอามาใช้กับธรรมะที่จะมาดับความทุกข์ใจได้การที่จะเห็นสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นอนาัตตานี้บางทีก็ไม่จาเป็นจะต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะว่าเราไม่ได้ไปมีความผูกพันกับเขาเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเราไม่เดือดร้อนเราจรึงไม่จำเป็นจะต้องไปพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่า น, นั้นแต่สิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตาเราไม่สบายใจกับไผ่เราต้องพิจารณา คนนั้นให้เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นทุกขังเขาจะทำให้เราทุกถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือเรื่องของการสร้างอินทรีย์ขึ้นมาเบื้องต้นก็สร้างสติขึ้นมาก่อนโดยการเถิกให้ใจนี้ ังมั่นอย่าลอยไปลอยมาตามความคิดปรุงแต่งต่างๆให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างต่อเนื่องเช่นอยู่กับพุทโธอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับบังคับใจไม่ให้ลอยไปที่อื่นให้อยู่กับพุทโธหรือจะใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติก็บังคับใจให้อยู่กับ การกระทําของร่างกายในทุกออิริยาบมตั้งแต่ตื่นจนหนับขึ้นมาให้รู้อยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ไปรู้เรื่องของคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้การที่จะตั้งอยู่กับเรื่องเดียวได้นี้จําเป็นจะต้องไม่มีภ า, ารกิจการงานอย่างอื่นเช่นไม่มีการทํามาหากินทํางานทําการต้อง ปีกวเวยอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนอกจากภารกิจดูแลรักษาร่างกายของตนเองที่สามารถทําไปได้ควบคู่กับการเจริญสติแต่ถ้าต้องไปทํางานทําการต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องไปคุยกับคนนั้นคนนี้การที่จะรักษาใจให้อยู่กับเรื่องเดียวนี้ก็จะเป็นไปไม่ได้ เพราะมีเรื่องต่างๆให้เข้ามาคิดอยู่เรื่อยๆดังนั้นผู้ที่ต้องการความเจริญในทางการปฏิบัติจิจตภาวนาจึงจําเป็นต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่นถ้ายังมีภารกิจอย่างอื่นอยู่ก็อย่าไปหวังผลมากเลยส่วนใหญ่คาวาะญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมกันนั้นมักจะบ่นกันว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลกัน ก็เพราะว่าไม่สามารถที่จะรักษาใจให้อยู่กับเรื่องเดียวได้อย่างต่อเนื่องใจจะแว บ, บไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้จะปรุงแต่งเรื่อยเปลื่อยไป <Yeah. S 1> เมื่อใจมีการปรุงแต่งแบบเรื่อยเปลือ่อยก็จะไม่มีความสงบไม่มีความตั้งมั่นดังนั้นผู้ที่จะปฏิบัติธรรมได้ผล จริงๆจ ง, จงเป็นพวกนักบวชเท่านั้นพวกนักบวชนี่เขายอมสละสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไปให้หมดเพราะเขารู้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการํำเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองมีสมบัติข้าวของเงินทอง ก, ทธธก็ยินดีที่สละมีสามีภรรยามีบุตรธิดาก็ยินดีที่สละ ขออย่างเดียวขอให้มีเวลาอยู่คนเดียวแล้วเจริญส ต, ติอย่างต่อเนื่องเท่านั้นบุคคลเหล่านี้แล้วึงเป็นบุคคลที่บรรลุมรรคผล น, ผนิพพานผู้ที่ต้องการจะ บ, บรรลุมรรคผล น, ผนิพพานจำเป็นจะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจให้หมดถ้ายังมีความผูกพันมีความรักความหวงความห่วงใย สิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นอุปสรรคขวางกัน้นการดำเนินสู่มรรคผลนิพพานผู้ที่จะไปสู่ความผลนิพพานนั้นจงเป็นเหมือนผู้ที่ตายแล้วเกิดใหม่คือตายจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเคยมีอยู่เป็นอยู่เหมือนคนตายจากโลกนี้ไปจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากสามีจากภรรยา อากทรัพสมบัติเข้าของเงินทองจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปเกิดอยู่ในป่าคนเดียวไปเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้จิตนี้ตั้งมั่นให้จิตเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาพอจิตตั้งมั่นสงบเป็นอุเบกขาแล้วเวลาฟังธรรมหรือเวลาพิจารณาธรรมก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาได้ ก็จะสามารถดับตันหาความอยากละตันหาความอยากได้ละตันหาความอยากได้ก็จะดับความทุกข์ที่เกิดจากตันหาได้ทุกข์จะไม่มีสําหรับผู้ที่ไม่มีตันหาความอยากคือมีปัญญาเห็นแล้วว่าอยากไม่ได้อยากไปก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นไม่ได้ก็เป็นได้ก็เป็นเพียงชั่วครัง้งชั่วคราวครั้งนี้อาจจะทำตามที่เราสั่งได้แต่ครั้งต่อไปก็อาจจะไม่ทำตามที่เราสั่งก็ได้เวลาที่เขาทำตามเราก็รอดตัวไปไม่ทุกข์แต่เวลาไหนที่เขาไม่ทำตามความอยากของเราเวลานั้นเราก็ทุกข์ไม่สบายใจ ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากเราเองเราไปยุ่งกับเขาเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาทำไมเราต้องไปยุ่งกับเขาก็เพราะเราไปหลงคิดว่าเขาเป็นของเราเช่นเขาเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นลูกของเราพอพออะไรเป็นของเราเราต้องมักจะเจ้าขี้เจ้าการขึ้นมาทันที ต้องให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา ท, าทันทีแต่ทำไมคนอื่นทำไมเราไม่ไปเจ้าที่เจ้าการด้วยคนอื่นที่เราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราเขาจะทำอะไรเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยแต่พอคนที่มาเป็นของเราขึ้นมานี้เป็นการเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีก็เพราะใจของเราถูกควมน่าของความหลงหอก ให้คิดว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วเขาจะดีแล้วเราก็จะสบายใจแต่เราไม่เคยมองว่าเขาจะทำอย่างไรในที่สุดเขาก็ต้องแก่เจ็บตายไปอยู่ดีเราให้ทำดีขนาดไหนเรียนดีขนาดไหนทามาหากิน ได้เงินเดือนมากขนาดไหนก็ตามเป็นมหาเศรษฐีระดับไหนก็ตามในที่สุดมันก็แก่เจ็บตายไม่ต่างกับขอทานเนยก็ตายเหมือนกันแก่เจ็บตายเหมือนกันไปเหนื่อยทาไมถ้าเป็นแทบตายอยู่แบบขอทานมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเล่นลนเพื่อเป็นมหาเศรษฐีมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ เราไม่ยอมคิดกันพอเรามีอะไรนี่เราจะฝันว่าอยากจะให้เขาดีอยากจะให้เขามีความสุขมีแต่ความเจริญไม่่อยคิดเลยว่าจะเขาจะเจริญขนาดไหนเขาจะดีขนาดไหนจะมีความสุขขนาดไหนในที่สุดเขาก็ต้องแก่เจ็บตายไปในอยู่ดีนี่คือเรื่องของปัญญา ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเรายัางไม่สามารถบรรลุได้ในขณะที่ฟังก็แสดงว่าหนึ่งสติของเราไม่ต่อเนื่องจิตของเราไม่สงบพอไม่เป็นอุเบกขาพอ 3. ปัญญาของเรายัางไม่ฉลาดแหลมคมพอที่จะมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่ผู้แสดงได้แสดงเอาไว้ ยังเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาอยู่ยังเห็นว่าเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาเที่ยงแท้แน่นอนยังเห็นว่าเป็นสุขอยู่ยังเห็นว่าเป็นของเราอยู่เราสามารถสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้สามารถสั่งให้เขาทำให้เรามีความสุขได้แต่พอไปเจอของจริงเข้า ไปเจอเวลาที่เขาไม่ยอมรับคำสั่งของเราเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่มองอย่างต่อเนื่องนั่นเองเราไม่มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างต่อเนื่องเรายังมองว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาอยู่เป็นส่วนใหญ่มากกว่าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเวลาใดเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลานั้นเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นเลยหรือบุคคลนั้นเลยแต่เวลาใดที่เรามองไม่เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลานั้นเราจะทุกข์กับสิ่งนั้นทันทีนี่แหละคือการเจริญปัญญาเราต้องพยายามพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราได้สมาธิแล้ว ออกจากสมาี่แล้วให้พิจารณาความเป็นอนิจจังของร่างกายของเวทนาความเป็นอนิจจังของบุคคลต่างๆของสิ่งต่างๆของเหตุการณ์ต่างๆถ้าลองเห็นว่าเป็นอนิจจังแล้วก็จะปล่อยวางได้ได้เห็นว่าเป็นอนัตตาไปสั่งเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เช่นเรา เวลาเราขับรถไปบนท้องถนนนี้เราไปสั่งให้คนขับรถคนนั้นคันนี้ขับอย่างนั้นขับอย่างนี้ไม่ได้เราก็ปล่อยวางเขาไปเขาจะขับอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นอนัตตาแต่สิ่งใดที่เราไม่เห็นว่าเป็นอนัตตาเราก็จะเริ่มมีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทันที แล้วเราก็จะมีความไม่สบายใจตามมาทันทีเพราะเราไม่สามารถสั่งเขาได้นี่คือเรื่องของการศึกษาแบบปริยัตปฏิบัติปฏิเวทควบคู่ไปการฟังเทศฟังธรรมทางส า, า, ายกรรมาฐานจึงฟังกันแบบนี้ไม่ต้องมีกระดาษดินสอมาคอยจด มาคอยจำฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยสติจดจ่ออยู่กับการแสดงถ้าพิจารณาตามได้ก็พิจารณาไปถ้ามีปัญญาไม่พร้อมที่จะพิจารณาพิจารณาไม่เข้าใจก็ให้จดจ่ออยู่กับเสียงที่มาสัมผัสใช้เสียงนี้เป็นอารมณ์กรอบใจ ก็จะได้ผลอย่างน้อยก็จะได้ความสงบถ้าใจฟังกาติดอยู่กับเสียงถึงแม่ฟังแล้วจะไม่เข้าใจแต่ไม่ไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้จดจ่ออยู่กับการฟังอยู่เรื่อยๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างนี้สิ่งที่จะได้ก็คือสมาธิคือความสงบความสงบนี้มันก็มีหลายขั้นด้วยกัน การฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ความสงบแต่อาจจะไม่ได้ความสงบเหมือนกับเวลานั่งอยู่ตามลําพังนั่งอยู่ตามลาพังนี่อาจจะสงบลึกกว่าแต่เวลานั่งฟังเทศฟังธรรมก็จะสงบแบบไม่คิดปุงแต่งกับเรื่องนั้นเรื่องราวต่างๆก็เป็นความสงบอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าฟังแล้วพิจารณาตามแล้วเกิดความเข้าใจ จนปล่อยวางละความอยากตัณหาได้ก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาเกิดการบรรลุเกิดการปฏิเวทขึ้นมาได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทำให้แก่ผู้ฟังในสมัยแรกๆพอแสดงธรรมเสร็จไปแต่ละครั้งนี้จะมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆกันเป็นจำนวนมาก ครั้งแรกก็มีพระปัญจวัคคีมีพระอัญญาณโกนัญญาบรรลุทมขั้นแรกคือขั้นโสดาบันแล้วพอแสดงทมต่อมาอีกก็ปรากฏเป็นพระอานหารพร้อมกันทั้งห้ารูปตอนนั้นทรงแสดงเรื่องอนัตตลักษณะสูตรทรงแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตา สัพเพธมาอนัตตาสัพสัตสัพสิ่งตั้งหลายในโลกนี้เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นมาเป็นของดินน้ำลมไปของทุกอย่างในโลกนี้มาจากดินน้ำนมไปทั้งนั้น <c oughs> ใจนี้เป็นเพียงผู้มาครอบครองเชื่อล่าวแต่ไปหลงยึดติดว่าเป็น ตัวตนเป็นของใจเป็นตัวใจขึ้นมาเช่นมาครอบครองร่างกายก็ยึดติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราพอได้บ้านก็ยึดติดว่าเป็นบ้านของเราพอได้รถก็ยึดติดว่าเป็นรถของเราพอได้สามีได้ภรรยาก็ยึดติดว่าเป็นสามีเป็นภรรยาของเราพอได้ลูกได้หลานก็ยึดติดว่าเป็นลูกเป็นหลานของเรา พอเขาเป็นอะไรที่ไม่ถูกใจเราเราก็ไม่สบายใจทันทีเพราะเราไม่มองว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอได้ลูกได้หลานได้สามีได้ภรรยาได้บ้านได้ร่างกายนี้มาก็ได้อนิจจังทุกขังอนัตตามานั่นเองถ้ารู้อย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่ได้มา ถ้าทุกข์ก็แสดงว่ามองไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอย่างต่อเนื่องนั่นเองบางเวลาก็เห็นบางเวลาก็ไม่เห็นเช่นตอนนี้เวลาฟังธรรมก็เห็นเข้าใจแต่พอกลับไปเจอลูกกลับไปเจอสามีกลับไปเจอภรรยากลับไปเจอทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็กลายเป็นนิจจังสุขขังอับ ต, ตากลับมาใหม่เป็นของเราเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเรา จะอยู่กับเราไปตลอดจะคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เราจึงต้องย้อนกระแสของกิเลสของโมหะอวิชชาที่คิดว่าทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาให้คิดว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นนิจนนจังทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อยู่ตลอดเวลา ใจก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆแต่เวลาใดถ้าเผลอไปคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเวลานั้นก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความอยากให้อยู่กับเราให้ดีให้ให้ดีใ ห, ใ, หดให้ไปให้ดีไปนานๆไม่ให้เสื่อมก็จะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมานี่แหละคือเรื่องของ ปัญญาที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมที่ถูกต้องถึงนุ่งฟังแบบที่พระพุทธเจ้าทรงทรงสอนให้ฟังฟังแบบปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไปพร้อมๆกันถ้าฟังด้วยสติจดจอ่อไม่ต้องจดไม่ต้องจําฟังให้ใจเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมแล้วถ้ามีปัญญาก็พิจารณาตามถ้าไม่มีปัญญา กาติดอยู่กับเสียงก็จะได้ความสงบได้สมาธิถ้าพิจารณาตามได้ก็จะได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิได้ปฏิเวณได้การบรรุมรรคผลนิพพานคือนปฏิบัติได้ผลฟังเทศแบบได้ผลไม่ถ้าไม่ได้ความสงบก็จะได้ได้มรรคผลนิพพานเป็นผลเป็นสิ่งที่ตามมานี่คือเรื่องของการศึกษา ของการศึกษาแบบปริยัตปฏิบัติแบบปฏิเวทที่พระพุทธเจ้าสรงเป็นผู้สั่งสอนจึงปรากฏมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานในขณะที่ฟังธรรมกันเป็นจำนวนมากเพราะฟังแบบปฏิบัติปฏิเวทปริยัตปฏิบัติปฏิเวทฟังด้วยความตั้งใจสติจดจอ่อ ใช้ไม่ลอยไปลอยมาไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสถ้าพิจารณาได้ก็จะได้ปัญญาได้มรรคผล น, ผนิพพานได้หลุดพ้นถ้าพิจารณาไม่ได้ก็จะได้ความสงบได้สมาธิแต่สมาธิแบบที่เกิดจากการฟังธรรมนี้ยังไม่พอถ้ายังติด ยังไม่สามารถจะส่งติตให้เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเป็นเอกขตารมได้ <Yeah. S 1> ก็ต้องถ้ายังไม่มีเอกคกัตารมในใจก็ต้องมาบำเพ็ญต่อหลังจากฟังเทศฟังธรรมก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมมาเจริญสติต่อจนเดินไม่ไหวเมื่อยแล้วก็มานั่งแล้วก็มาบริกรรมพุทโธต่อหรือดูลมหายใจต่อ จนกว่าใจจะรวมเข้าสู่เอกคตตาลมสักแต่ว่าเรุเป็นอุเบกขามีความสุขมีความสงบเป็นที่ตั้งถ้าได้ฐานของใจแล้วก็อได้อุเบกขาได้เอกขตตาลมแล้วก็จะเป็นาฐานรองรับปัญญาได้จะสามารถวันรุทถามได้เวลาพิจารณาอะไร จนเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็าจะบรรลุจะละตัณหาความอยากได้ระดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาได้นี่คือเรื่องของปริยัตปฏิบัติปฏิเวสในสมัยพุทธกาลไม่ได้เรียนเพื่อจดจําเพียงอย่างเดียวเรียนเพื่อฟังเพื่อให้เกิดความสงบ หรือฟังเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเพื่อให้เกิดการดุจพ้นเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาดังนั้นเวลาเราฟังเทศฟังธรรมขอให้เราฟังแบบนี้อย่าไปจดไปจำเพราะมันจำไม่ได้หรอกเพราะพูดฉันเกือบชั่วโมงพูดเรื่องราวต่างๆมากมายถ้าจดจำก็จะไม่เข้าใจถึง ความสําคัญของสิ่งที่เราจดจําว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลจะไม่รู้เนั้นเวลาฟังธรรมในภาคปฏิบัติจึงไม่มีการจดจาดํากันที่อัดเสียงนี้ไม่ได้อัดเพื่อจดจํอาอัดไว้เพื่อเป็นการนําไปเผยแผ่หรือกลับมาฟังซ้ําใหม่ก็ได้เพราะว่าการฟังธรรมในแต่ละครั้งนี้เราอาจจะไม่มีจิตใจ มีสติที่ต่อเนื่องกับการฟังร้อยเปอร์ซ็้บางทีเราฟังนี้อาจจะฟังได้เพียงห้าสิเอร์เซ็นท่านั้นพอเรากลับมาฟังใหม่เราจะแปลกใจว่าเอ๊ะการนี้เราเคยฟังแล้วนี่แต่ทําไมเรื่องนี้เราไม่ไม่ได้ยินเลยท่าทีแล้วก็เพราะว่าตอนที่พูดถึงเรื่องนี้เรากําลังคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่เรื่องนี้มันก็เลยเข้าหูซ้ายออกหูขวาไป ไม่เข้ามาในใจของเราพอครั้งนี้เรามาเปิดฟังใหม่เราพอดีฟังฟังต่อเนื่องไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอื่นจึงเหมือนกับว่าเอเหมือนกับว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอาการฟังธรรมที่ได้อัดบันทึกไว้เนี่ยฟังซ้ำกี่ครั้งก็ไม่เสียหายอะไรแล้วก็จะได้อะไรแปล ก, ปลกใหม่ใหม่ที่คิดว่าจะไม่ได้ ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะคิดว่าฟังไปแล้วครั้งหนึ่งไม่เห็นมีอะไรแต่พอมาฟังใหม่ครั้งหนึ่งเอบกลับทําไมมีอะไรลึกซึ้งมากไปกว่าที่ฟังครั้งแรกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสติว่าจดจอ่อหรือเปล่าขึ้นอยู่กับปัญญาว่ามีความสามารถที่จะวิเคราะห์พิจารณาตามได้หรือเปล่าดัง น, นั้นการฟังเทศฟังธรรมที่ได้บันทึกไว้นี้ไม่เป็นการ เสียหายแต่อย่างใดแล้วไม่ได้ฟังเพื่อจดจำแต่ฟังเพื่อความเข้าใจนี่คือการฟังแบบปริยักษ์ปฏิบัติปฏิเวทแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าสิ่งที่เราฟังแล้วเราจาไม่ได้นะั้นถ้าจาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันผ่านไปแต่สิ่งใดที่เราฟังแล้วเราเข้าใจ มันจะจําได้ไปจนมันตายเลยมันจะไม่ลืมเลยเพราะมันเป็นความจริงปัญญานี้เป็นความจริงแต่สัญญานี้เป็นความจําสัญญานี้เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาจําได้ก็ลืมได้อย่างมีผู้ที่ถามพระอาหารหันว่าพระอาหารหันนี่ลืมได้ไหมท่านก็ตอบว่าลืมได้ จำได้ก็ลืมได้จำชื่อคนนั้นคนนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันอีกทีจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรเพราะว่าไม่ได้เจอกันทุกวันอันนี้เรียกว่าสัญญาแต่มีอะไรที่พ้าอาหันไม่ลืมไหมมีอะไรที่ไม่ลืมก็คืออริยสัจสีสัจจะทำความจริงเช่นตาลักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทุกสมุทัยนิโรธมากนี้จะไม่มีวันลย ต่อให้จะยุ่แก่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ตามก็จะไม่ลืมไอ้ตัวนี้โดยเด็ดรับเพราะตัวนี้มันไม่ได้เป็นสัญญาตัวนี้มันเป็นความจริงเป็นความจริงที่ใจรู้อยู่ตลอดเวลา <c oughs> นี่แหละคือเรื่องของของความจริงและความจำสิ่งไหนที่เราจำไม่ได้ไม่ต้องไปกันวนงวลกับมันจำไม่ได้อะดี จำได้แล้วมันทุกจำไปทำไมลืมมันไปดีกว่าเอาความจริงดีกว่าความจริงนี้ไม่ทำให้เราทุกความจริงนี้ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคืออริยสัจสีนี่เองอันนี้ขอให้เราพยายามเข้าให้ถึงจนเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วจะไม่ลืมแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจจะลืม พรยังเป็นสัญญาอยู่เป็นตอนนี้ฟังไปแล้วรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่พอไปจากที่นี่ไปถึงรถก็รถก็เป็นของเราเสียแล้วของในรถก็เป็นของเราแล้วพอของในรถหายก็ทุกข์ขึ้นมาเสียแล้วใค่ายกระบวนการขอ ง, งฉันไปเสียแล้วอย่างนี้เรียกว่าฟังแบบสัญญาฟังแบบจําพอไปถึงรถก็ลืมแล้ว ลืมว่าเป็นไม่ใช่เป็นของเรากลับมาจำว่าเป็นของเราเสียแล้วพราะจำว่าเป็นของเราพอมันหายไปก็เลยทุกข์เลยดัันต้องพยายามสร้างความจริงให้มันอยู่ในใจกับเราไปเรื่อยๆวิธีที่จะให้มันอยู่ในใจกับเราไปตลอดก็เหมือนกับการท่องสูตรคูณเลยเราต้องท่องมันอยู่เรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีวันลืม หรือสวดมนต์ก็ได้สวดไปเรื่อยๆต่อไปมันจะไม่ลืมท่องอาการสาสิบสองไปเรื่อยๆต่อไปมันจะไม่ลืมมันจะเห็นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอยู่ตลอดเวลาท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปมันก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่องดินน้าลมไฟมันก็จะเห็นว่าเป็นดินน้ำลมไฟท่องอาสุภามันก็จะเห็นอาสุภาไป ของวุ่นนี้ไม่ใช่เป็นของจำเป็นของจริงถ้าเรานาเข้ามาสู่ใจอยู่เรื่อยๆจะกระทั่งใจจำได้รู้เห็นอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงคือลบล้างความหลงที่หลอกให้เห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นบุคคลความจริงเป็นเพียงดินน้าลมฝอเป็นอาการสาสิบสองเท่านั้นเอง นี่แหละคือเรียกว่าการเจริญปัญญาส้งเจริญกันแบบถี่ยิบต่อเนื่องไปตลอดเวลาจนไม่มีช่องว่างที่จะลืมมันเลยอย่างครูบาอาจารย์เขาบอกเหมือนกับสับเนื้อเนี่ยสับให้มันเละไปเลยไม่ให้มันเป็นเป็นชิ้นเลยให้มันเละไปหมดเล ย, ยาการพิจารณาปัญญามันต้องเป็นอย่างนั้น ไม่มีช่องให้กิเลสตัณหาแทรกเข้ามาได้ว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเลยมีแต่อนิจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนมีแต่อาการสามสิบสองมีแต่ผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกนอยู่ที่ไม่สวยไม่งามที่ศกกระปบมีสิ่งเป็นปฏิกูลเช่นน้ำมูดน้ำคูดเป็นต้น อยู่ในร่างกายที่โลกหลงไหลกันเหลยเกินว่าสวยว่างามทาสงครามกันก็เพราะร่างกายที่สวยงามนี้ฆ่ากันตายขึ้นลงขึ้นศาลกันก็เพราะหลงเห็นว่าร่างกายนี้มันสวยมันงามไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เห็นว่ามันเป็นอสุภะไม่เห็นว่ามันเป็นซากศพเดินได้กันเพราะไม่พิจารณากันนั้นเอง ดังนั้นถ้าพวกเราต้องการที่จะมีปัญญาต้องการที่จะมีสัมมาทิฏฐิต้องการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเราก็ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอริยสัจสี่พิจารณาอสุภะพิจารณาอาการสาสองพิจารณาดินน้ำลมไฟให้ชำนองให้ชำแบบว่าให้ชนานาญจนไม่หลงไม่ลืม มองที่ลรก็จะเห็นทันทีมองร่างกายที่ลรก็จะเห็นอาการสาสิบสองทันทีมองร่างกายที่ไรก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปทันทีเหมือนกับมองไอติมที่ละลายทันทีเห็นก้อนไอติมพอโดนความร้อนก็ละลายกลายเป็นน้ำไปร่างกายนี้ก็ละลายกลายเป็นกลายเป็นดินน้ำลมไฟไป <c oughs> ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นอันนี้จังทุกขขังอนัตตา มันก็จะละกิเลสตัณหาละความทุกข์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องหลุดพ้นต้องยุติด้วยปัญญาเท่านั้นสมาธินี่เพียงแต่กดกิเลสกดตัณหาไว้แต่ไม่ทำลายให้มันหมดสิ้นไปเวลาใดที่สมาธิอ่อนกำลังเวลานั้นกิเลสตัณหาก็จะออกมาแผงลิตใหม่เช่นพวกที่ ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมนี้พอแรงของสมาธิอ่อนลงก็กิเลสตัณหากามตัณหาก็จะดึงให้ลงมาเกิดเป็นเทพมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสทิพไปก่อนพอกิเลสตัณหามีกําลังมากขึ้นก็อยากจะเสพรูปหยาบเสียงหยาบก็เลื่อนจากเทพลงมาเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องของสมาธิยังไม่สามารถที่จะ ทำให้จิตหลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องปัญญาเท่านั้นปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเห็นดินน้ำลมไฟจึงขอฝากเรื่องของการฝังเทศแบบปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่พระพุทธเจ้าได้เป็นผู้ อ, อ, อบรมสั่งสอน มานี้ให้พวกเรานำเอามาปฏิบัติกันเวลาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมขอให้เราฟังแบบนั้นคือฟังแบบศึกษาเพื่อให้รู้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้ใจสงบเรื้อพิจารณาให้เกิดปัญญาไปพร้อมๆกันเพื่อจะได้บรรลุผลได้ในขณะที่ฟังการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร <c oughs> ยะถาวาฤวะหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตตินังเปตานังอุป ก, ะปะกะปะัรปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจะตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปณระโสยถาเมณิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวาชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมลาวัฏฐานติ อายุวันโอสุขังภาลางเดี๋ยวเราให้เสเกท้าวญาณโยงก่อนรอให้นั่งที่สารานก่อนก็แล้วกันมีอะไรก็ น, น้ำเลี้ยงท่านไปก่อนก็ได้นิมนต์ท่านนั่งชั้นบุญก็ได้ เดี๋ยวขอให้เสร็จกิจกับทางญาติโยมก่อนเดี๋ยวพระพระรอก่อนนะเพราะว่าไม่สะดวกที่จะปนกับการวาญาติโยมเดี๋ยวก็ก็แยกไปก่อนให้การวะท่านเข้ามาก่อนะ ให้น่ใจนเ่ยากขอคาอุปสภให้ปาค่ะหนููคือตอนนี้หนูเรียนปริญญาโแล้วว่าอจบไปแล้วหนูรู้สึกหนูเ่อแบบชีวิตนี้นะคะรู้สึกเบื่อกับสิ่งซ้ำซากๆแต่ว่าตอนนี้หนูเพิ่งจะเข้าเรียนปริญญาโทแต่ใจหนูนี่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะ หนูอยากจะลองไปค้นหาตัวเองดูแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าคือใจหนูอยากจะทําการหลอกไปเลยสอบคัดเงินดาวแล้วก็ลองไปค้นหาของหนูเองหนูไม่ค่อยมั่นใจว่าสิ่งที่หนูแต่สิ่งคิดตรงนี้มันเหมาะสมเหมาะไว้มากแค่ไหนแล้วอะคะ่ะแต่หนูรู้สึกว่าหนูจริงๆมันมีช่วงอะไรแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงปลอดตีอะไรหลายๆช่วงอะคะ่ะม oment แบบนี้ที่รู้สึกว่า เวลาหนูไปฏิบัติธรรมแล้วหนูจะยังไม่อยากกลับไปทางโลกอ่ะค่ะแต่ OD, หนูก็รู้ว่าพ่อห น, ifer, น right. ูกลับไปทางโลกหนูก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหนูก็จะมีเรื่องกับเรื่องจิตใจตลอดเลยพอณจุดนี้หนูจบทางโลกหนูจบเรื่องเรียนเรื่องอะไรแล้วนูม่ีภาระทางเรียนแล้วอ่ะค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูมีภาวะมรสุกนี้ขึ้นมาแล้วหนูกลัว่าถ้าหนูกลับไปเรียนต่อหนูไม่ทําให้ต่อเนื่องมันจะทําให้หนู ไปตรงนี้ก็จะมอดลงไปอีกค่ะเหมือนไม่แน่ใจว่านี่เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบหรือว่ามันเป็นผู้คนมาถามตก็สิ่งที่เราต้องถามตัวเราเองก็คือว่าเราต้องการอะไรอันนี้เป็นคําถามที่เราต้องหาคําตอบให้เจอเราต้องการความสําเร็จทางโลกแบบพ่อแม่แบบพี่น้องที่เขาทํากัน หรือว่าเราต้องการความสุขทางใจถ้าความสุขทางใจเราก็ต้องไปตามทางของพระพุทธเจ้าถ้าเราต้องการความสุขทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญเราก็ต้องไปศึกษาต่อเพราะการศึกษาสูงเท่าไหร่ก็จะทําให้ โอกาสที่เราจะเดินทางลาบยศสารเสริม น, นี่มันง่ายและง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาสูงแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นอย่างนี้เสมอไปคือมีตัวกรณียกเว้นผู้ที่เขาไม่ได้ศึกษาเลยไม่มีปริญญาเลยแต่ก็กลับจเจริญทางลาบยศสารเสริม จนสามารถจ้างพวกที่จบปริญญาเอกมาเป็นลูกน้องเขาได้นี่แสดงว่าเขามี ป, ปริญญาภายในใจเขามีความรู้ความสามารถที่จะไต่เต้าบนบันไดของลาบยศสรรเสริญได้นี่เราก็ต้องถามแล้วว่าเราจะไปทางไหนเพราะมันมีแค่สองทางนี้เท่านั้นะทางกายหรือทางใจ ทางกายก็ต้องไต่เต้าไปตามทางของราบยศสรเสริญทางลูกเสียงกลิ่นล้นแต่มันก็ต้องไปเจอต่อก็คือต้องไปเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายมันก็จะไปสะดุดมันก็จะไปหยุดตรงนั้นแต่ถ้าเราไปทางใจมันก็จะมีต่ออยู่ข้างต้นคือความทุกข์ที่เราจะต้อง ฟันฝาเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการเดินการอยู่ของเราเราเคยเดินมาในทางลาบยศาสารเสริญมาเป็นเวลาอันยาวนานพอถึงเวลาที่เราจะเดินไปอีกทางนึงนี้มันก็จะเป็นการฝืนนิสัยของเรามันก็จะเป็นความทุกข์อย่างมากแต่ถ้าเรามีความ เข้มแข็งมีความอดทนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ามีสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่ขวางกั้นเราได้เราก็จะไปพบกับสิ่งที่ดีที่วิเศษในตอนปลายของการเดินทางของเราก็คือไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไปถึงแดนเกษม ส, สาราญของพระนิพพานที่เป็นปรมังสุขขังไปตลอดอันนี้เราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะไปทางไหนถ้าเราอยากจะไปง่ายก็ไปทางโลกเพราะมันเป็นทางที่เราชํานาญเราถนัดแต่ถ้าเราอยากจะไปทางธรรมเราก็ต้องมีความกล้าหาญมีความอดทน ถ้าเราไม่กล้าหารไม่อดทนเราก็จะไม่สามารถผ่านฝ่าอุปสรรคไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของเราได้ยังตอนนี้สิ่งแรกที่เราต้องถามตัวเองนะเหมือนกับเราเดินมาถึงทางแยกแล้วมีทางแยกไปซ้ายหรือไปขวาเราจะไปทางไหนก็ต้องถามตัวเราเองจะไปทางเดิมก็ไปทางซ้าย จะไปทางใหม่ก็ไปทางขวาอันนี้ก็ต้องลองถามตัวเองดูหรือลองหาเวลาเดินไปในทางใหม่นี้ดูสักปีหนึ่งหรืออะไรแล้วดูว่าจะไปได้หรือไม่ถ้าไปได้ก็ไปต่อถ้าไปไม่ได้ก็กลับมาทางเดิมยอมรับว่ายัง มีกําลังไม่มากพอที่จะไปทางใหม่ได้แต่คิดว่าถ้าลองไปจริงๆแล้วก็น่าจะไปได้กันทุกคนถ้ามีผู้นำทางถ้ามีทุกตัวอย่างที่ดีดึงไปก็จะไปได้ งั้นการจะไปทางนี้ควรจะหากนนารเลียนมิตรก็คือครูบาอาจารย์ที่ผ่านทางนี้มาแล้วหรือสหธรรมิกะเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมที่ใฝ่ไปในทางนี้กันแล้วเราก็ต้องทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจของเราให้กับการดําเนินไปในทางนี้ก็คือต้องทุ่มเทให้กับการศึกษา ปริปรยัตยและก็ปฏิบัติเพื่อจะได้ปฏิเวทจะไม่ทำอะไรนอกจากการศึกษาและการปฏิบัติทำเท่านั้นถ้าทุ่มเทเวลาและชีวิตจิตใจให้กับธรรมะแล้วผลของธรรมะย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าทําแบบกระตายเวลาไหนมีอารมณ์ก็ทำเวลาใดไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำ อย่างนี้ก็อาจจะไปไม่ถึงดวงดาวแต่ถ้าไปแบบเต่านี่ถึงแม้ว่าจะช้าแต่ก็จะถึงดวงดาวอย่างแน่นอนก็คือทำไม่หยุดไม่ถอยช้าบ้างเร็วบ้างมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่ไม่หยุดไม่ถอยถ้าอย่างนี้ก็จะไปถึงดวงดาวได้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้ นี่เราก็ต้องถามตัวเราเองว่าอารมณ์ที่เป็นอยู่ขณะ น, นี้มันเป็นอารมณ์ชั่วรูปหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันมาคอยกระตุ้นใจของเราให้เปลี่ยนวิธีการดาเนินชีวิตของเราพระพุทธเจ้าก็ต้องผ่านขั้นนี้เหมือนกันพระองค์ก็ต้องพิจารณาอยู่เหมือนกันจนกว่า ที่จะตัดสินพระไถยได้คนเราทุกคนไม่ได้ไม่ได้เกิดมาเพื่อมาทางนี้กันพวกเราทุกคนเกิดมาเพื่อมาทางราบยศสรรเสริญสุขกันอย่างแต่ว่าบางเวลาเราได้มาเจอความจริงที่เราไม่รู้มาก่อนหรือเรามองไม่เห็นว่าทางที่เราไปอยู่นี่มันเป็นทางสู่การเข้าสู่ กองทุกไม่ได้เป็นทางที่ออกจากกองทุกคือการไปทางราบยศสรรเสริญทางลูกเสียงกลิ่นรสนี้ไม่ได้เป็นการไปเพื่อบําบัดทุกบําำุงสุขแต่เป็นการไปบําบัดบําบัดสุขบํารุงทุกันแล้วก็ทางที่จะพาให้เราไปสู่ความบําบัดทุกบํารุงสุขอย่างแท้จริงก็คือทางของพระพุทธเจ้านี่เองดังนั้นเราต้อง ต้องรู้ว่าทางไหนเป็นอย่างไรแล้วก็อุปสรรคที่จะต้องเผชิญนั้นมีอะไรบ้างถ้าเราจะไปทางใหม่แล้วเรามีกําลังมีมีความตั้งใจมีความจริงใจมีความภาคเพียใมีความอดทนที่จะผลักดันให้เราไปในทางนี้ให้ไปถึงไปตลอดรอดฝั่งได้หรือไม่ อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเราเองเข้าใจไหมมีอะไรจะถามไหมว่าอย่างนี้นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้เขาถามปัญหามีใครจะถามปัญหาอะไรก่อนไหมครับปัญหาทำํทำการปฏิบัติธรรมนี้ไหมครับ ไม่มีจะเป็นปัญหาจากทาง a c e b o o k นะครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับตกค้งมาจากเมื่อวานนะครับปัญหาแรกจากคุณบีนานะครับมีวิธีจะทำให้จิตใจจดจอ่ออยู่กับคำบริกรรมนานๆ า, านไหมก็วิธีของพระก็คือไปอยู่ที่มันน่ากลัวไปอยู่แถวที่ใกล้ผี เวลาเกิดความกลัวผีแล้วมันก็จะบริกรรมอย่างต่อเนื่องมันจะไม่กล้าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยมันก็จะขี้เกียจมันก็จะเพราะไม่มีไฟไฟมันไม่ลนก้นเข้าใจไหมต้องหาไฟลนก้นถ้าไฟลนก้นแล้วที่นี้มันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วมันต้องรีบหาวิธีดับไฟเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยมันต้องหาที่พึ่งแล้ว ที่เพิ่งที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่พระพเจ้าทรงตัดสอนไว้ว่าเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้นึกถึงพระพุทธคุณถ้าเราเลิกถึงพระพุทธคุณแล้วยังไม่หายกลัวก็ให้เราลึกถึงพระธรรมคุณถ้าเราเลิกถึงพระธรรมคุณแล้วยังไม่หายกลัวก็ให้เราลึกถึงพระสังฆคุณถ้าเราเลิกอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆพุทโทธธรรมโมสังโฆ หรือเอติปิโส阿拉หังสัมมาสวากขาโตสุปฏิปันโนไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เรากลัวเดี๋ยวจิตก็จะสงบพอจิตสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปเราจะรู้ว่าภัยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแต่อยู่ที่ใจหลอกตนเองให้กลัวสิ่งนั้นเองสิ่งนั้นเขาไม่มีอะไรเขาเป็นธรรมชาติน อาจจะเป็นหนูวิ่งอยู่บนหลังคาก็ได้แต่ใจไปหลอกคิดว่าเป็นผีเป็นสางอะไรขึ้นมาดังนั้นเวลาเกิดความกลัวก็ให้เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณหรือพุทโธอย่างเดียวก็ได้เวลาเกิดความกลัวก็บริกรรมพุทโธให้ถียิบให้มันขาดใจตายไปกับพุทโธเลยแล้วรับรองได้ว่าจิตจะสงบได้จะหายกลัว คำถามข้อต่อไปจากคุณจีรวัณ น, นะครับข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อจิตสงบลอยเด่นเหนือนิวรนกายเบาจิตเบาลูกยกเกษาโลมานักขาทันตาตาโจขึ้นพิจารณาถูกหรือไม่เจ้าคะปกติจิตลูกไม่สงบง่ายออกตลอดวันนั้นลูกดูกายดูจิตเนืองเนืองจิตออกรู้ แล้วความจิตลอยเด่นขึ้นมาไม่มีแสงสว่างทางลูกมิได้เป็นผู้ชำนาญในการเข้าออกยานแต่อย่างใดคือถ้ายังไม่เคยมีความสงบมาก่อนเวลาจิตสงบครั้งแรกนี้ไม่ควรที่จะพิจารณาอะไรควรจะปล่อยให้จิตสงบให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะความสงบของจิตนี้จะเป็นฐานเป็นกำลังของการพิจารณาทางปัญญาต่อไป ถ้าสงบแล้วเริ่มพิจารณาจิตก็จะหายจากความสงบแล้วก็อาจจะไม่สามารถพิจารณาได้ยาว <c oughs> ได้นานพอจึองในเบื้องต้นนี้อย่าพึ่งพิจารณาอะไรในขณะที่จิตสงบเพราะการทำจิตสงบนี้เพื่อให้จิตได้พักผ่อนเหมือนกับคนที่จะหลับอย่างนี้คนหลับนี้พอหลับปั๊บไปปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาทางานนี้ เขาจะไม่มีกำลังมาทำงานปล่อยให้เขานอนหลับจนอิ่มเต็มที่แล้วเขาตื่นขึ้นมาเองแล้วก็บอกให้เขาไปทำงานเขาก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่เพราะเขาได้พักผ่อนหลับนอนมีกำลังวังชาสมาธินี่ก็เป็นเหมือนที่พักผ่อนหลับนอนของจิตเป็นที่เสริมสร้างพลังให้แก่จิตในการที่จะมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี่เราสามารถเจริญ นอกนอกสมาธิได้ไม่ต้องจเจริญในสมาธิจากข้อหนึ่งขณะนั้นที่ลูกเห็นจิตลอยเด่นขึ้นมาเหมือนนิวรณ์ดังกล่าวเหนือนิวรณ์ดังกล่าวลูกจึงได้ยกเอาเกสาโลมาขึ้นพิจารณาพันกายกับจิตแยกออกจากกันอย่างชัดเจน <c oughs> เมื่อลูกเห็นความจริงดังกล่าวว่าจริงแท้ตัวเราไม่มีรู้สึกตกใจ ตาสว่างพร้อมอุทานในใจเรานี่โง่ที่สุดได้ถูกบังตาบังจิตบังใจถูกหลอกมานานแสนนานจริงแล้วตัวเราไม่มีกายคือเสื้อจิตเหมือนอากาศธาตุไม่มีตัวตนใดๆเลยรู้สึกว่าความมืดที่มีเบาบางลงไปตัวเบาเหมือนได้วางของหนักที่ตนถือมานานนั้นลงไปใจเบาความแรงของความโกรธลดลง โดยลูกม้ได้ทำอะไรมันเป็นเองดังนี้ของจริงเชื่อถือได้หรือว่าถูกหลอกอย่างนี้เรียกว่าแยกลูกแยกนามใช่หรือไม่มันก็เป็นเหมือนกับการทำการบ้านนะมันยังไม่ได้เข้าห้องสอบเหมือนกับนักมวยก็ชกับกระสอบทรายชยกับคู่ซ้อมไปยังไม่ได้เจอคู่ต่อสู้ที่แท้จริงแต่อยากแต่อยากจะรู้ว่า เห็นกายเห็นใจจริงหรือไม่ก็เวลาออกมาแล้วโดนเขาตบหน้านี่ดูซิว่าจะจะเป็นอย่างไรจะเฉยได้หรือเปล่าถ้าถ้าเกิดอาการโกรธอาการเสียใจขึ้นมาอันนี้ก็แสดงว่าไม่เห็นจริงถ้าเห็นจริงแล้วต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราอะไรจะเกิดขึ้นกับมันก็ช่างมันอันนี้ยังต้องเข้าใจว่าเวลาเราภาวนาอยู่คนเดียวนี้ มันเป็นเหมือนกับการทําการบ้านยังไม่ได้เข้าห้องสอบต้องไปเข้าห้องสอบดูเช่นถ้าแยกกายแยกใจได้แล้วก็ไปเดินหาผีดูหาเสือดูกลัวอะไรก็ไปหาสิ่งนั้นดูแล้วก็จะรู้ว่ากลัวหรือไม่กลัวถ้ากลัวก็แสดงว่ายังแยกไม่ได้ยังเป็นตัวเดียวกันอยู่ถ้าไม่กลัวก็แสดงว่าแยกได้แล้วเพราะใจ ผู้ที่กลัวไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรผู้ที่เป็นไม่ได้ไม่ไม่รู้จากความกลัวกลัวไม่เป็นร่างกายนี้กลัวไม่เป็นผู้ที่กลัวก็คือใจแต่ผู้ที่จะตายก็คือร่างกายใจไม่ได้ตายยั่งถ้าแยกกายแยกใจกันได้จริงๆก็ต้องไม่กลัวอะไรอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็เป็นเรื่องของร่างกายเหมือนกับร่างกายของคนอื่นคนอื่นก็ตายเราเราหวั่น เราตรวาเสียวตื่นเต้นอะไรหรือเปล่าเราเฉยๆเพราะเราแยกจากเขาไปนนานแล้วเราไม่เคยไปเกี่ยวกับเขาดัางนั้นต้องรู้ว่าเวลาที่เราภาวนานั่งอยู่ในสมาธินี้มันอาจจะยังเป็นเพียงแต่การทําการบ้านก็ได้ข้อต่อไปนะครับลูกนั่งดูกายดูจิตไปพันลูกเห็นจิตเกิดดับสองขณะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อีกดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปต่อเนื่องกันไม่ใช่ดวงเดียวกันดังนี้สัน ต, ติขาดหรือยังลูกขึ้นวิปัสสนาหรือยังโอ้ไปอ่านตำรามาเยอะนะรู้จักสัน ต, ติรู้จกักเรายังไม่รู้เลยสัน ต, ติเป็นอะไรคืออะไรจะเกิดขึ้นในจิตก็ให้รู้ทันแล้วปล่อยวาง เช่นเกิดความโกรธขึ้นมาวุ่ก็ต้องปล่อยวางให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปโกรธตามเวลาเสียใจก็อย่าไปเสียใจตามเวลาจิตเศร้าหมองก็ไม่ต้องไปเศร้าหมองตามจิตเวลาจิตผ่องใสเบิกบานก็ไม่ต้องไปดี อ, อกดีใจไปกับความผ่องใสเบิกบานของจิตคือให้รักษาอุเบกขาไวสักแต่ว่ารู้ไวอย่างเดียวอันนั้นนะ่ะถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาจริง คำถามข้อต่อไปนะครับหลังจากสองเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเวลาได้ล่วงจนถึงคืนวันวิสาขาบูชาประมาณยี่สิสามนกาห้านาทีลูกนั่งสมาธิอยู่ดูกายดูจิตไปจิตก็ฟุ้งไปเรื่อยพันฟ้าผ่าสะเทือนเลื่อนลั่นกำป้านา่ <c oughs> ดังมากรุนแรงมากจริงๆลูกเพเยตาขึ้น ในใจรู้สึกโมโหตัวเองว่าลืมตาทำไมแล้วลูกได้เห็นแสงสีขาวกงจ้ามากๆในขณะที่ฟ้าผ่านั้นลูกนึกว่าน่าจะมีคนตายเพราะแรงมากจริงๆพอตอนเช้าลูกได้พบพระบรมสารีริกาธาตุที่บริเวณที่นอนของลูกท่านดูดติดนิ้วลูกขึ้นมาหลังจากนั้นวันพระถัดไปท่านก็เสด็จอีกองหนึ่งและหลังจากนั้น ท่านก็เสด็จอีกองคหนึ่งในวันมาคะบูชาทั้งหมดรวมสามองค์ดังนี้มีความหมายอย่างไรเจ้าคะลูกคิดเองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติดังที่ลูกได้กลาบเรียนไปแล้วสองข้อข้างต้นแต่ทำไมพระท่าจึงเสด็จลูกไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติที่เก่งกาจอะไรเลยจิตฟุ้งสุดๆและสงบยากลูกสงสัยจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆถ้าเป็นวิปัสนาก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางมันไปเท่านั้นเองถ้าไปยินดียินร้ายยังไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าโมหะเป็นความหลงดงนั้นพระเจ้าทรงสอนว่าเวลามีอะไรปรากฏให้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นของภายนอกหรือของภายในจะยาบหรือจะละเอียดจะเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตให้พิจารณาลงไปที่ตายลักให้หมดแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องไปสนใจมันจะเป็นพระท่าก็เรื่องของมันมันจะมากี่องค์ก็เรื่องของมันขอให้ดูตรงใจเราตรงตัวเดียวว่าใจเราสงบใจเราเป็นอุเบกขาสักแต่ว่าโอยู่หรือไม่่นั้นเองอันนี้แหละคือ สิ่งที่เราต้องการเราไม่ต้องการเราจะจากสิ่งที่เราเห็นของทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นอนิจจังทุกขรังนับตาหมดถ้าเราไปยินดีไปยึดติดแล้วก็จะทุกข์เพราะมันจะต้องมีการพัดภาคจากกันต่อไปดั <Yeah. S 2> งนั้นขอให้เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสให้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจ ให้รับรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางใจเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นอะไรก็เรื่องของมันสิ่งที่สำคัญก็คือใจตัวเดียวนะขอให้ใจเราอย่าบ้าไปกับสิ่งที่เราปรากฏขึ้นมาให้เห็นให้รับรู้ก็แล้วกันคำถามข้อต่อไปไม่ใช่คำถามนะครับแต่เขาพูดว่า ลูกเชื่ออย่างสนิทใจและไลฟ์ซึ่งข้อกังขาวา่าพระอาจารย์คือพระผู้ประเสริฐสูงสุดอันหาได้ยากยิ่งในโลกนี้หากคำถามและข้อสงสัยของลูกไม่เป็นอันควรด้วยประการใดๆ <c oughs> ลูกกราบขอขมาเจ้าค่ะขอจมโปรดงดเว้นโทษทั้งปวงแก่ลูกและเมตตาให้แสงสว่างแห่งปัญญาแก่ลูกเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตรงทางยิ่งขึ้น ไปตามกำลังสติกำลังปัญหาของลูกยาวแต่ก็เป็นสิ่งที่ลูกสงสัยและยังข้องใจอย่างยิ่งขอพระอาจารย์เมตตาก็ได้ตอบไปหมดแล้วนะนะคำถามข้อต่อไปจากคุณ w อล k a อ o n g the อ i ไ h t ์นะครับกระผมกรผมอยากทราบประวัติการทอดกระถิ่นสมัยพุทธกาลและอันที่สองของกระถิน ก็ลองไปเสิร์ชใน g ูเก l e ดูคำตอบเยอะแยะก็เราส่งเราส่งไอ้นั่นไปให้เขาล้เนี่ส่งแล้วครับให้เขาไปไปเสิร์ชดูมีเยอะแยะเป็นหมดเลยคำถามข้อต่อไปจากคุณ I อ m Joyce นะครับ เวลาตัวรู้ความคิดไม่ดีหรืออคูิสลเกิดควรทำอย่างไรก็อย่าไปทำตามมันถ้ามันบอกให้เราไปฆ่าคนเราก็อย่าไปฆ่าหรอกบอกให้เราไปดา่าคนนั้นคนนี้ก็อย่าไปด่าให้อยู่เฉยๆให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำไปแล้วจะเกิดโทษกับเราและเกิดโทษกับผู้อื่นคำถามข้อที่หนึ่งของคุณ น, นี้นะครับ บางพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้รู้เฉยๆไม่ต้องทําอะไรดิฉันก็เห็นอักุศลและรู้เฉยๆและเห็นมันดับไปบางครั้งถ้าตั้งใจที่จะรู้คือมันจําได้ว่าถ้าเห็นสิ่งนี้จะเกิดอักุศลขึ้นมาก็จะไม่รู้สึกอึดอัดและเกลียดอักุสลที่เกิดแต่บางครั้งเวลาอักขุศลเกิดจะรู้สึกไม่ชอบเกลียด ต่อต้านในใจที่อกุศลมันเกิดคือไม่ชอบที่ใจเกิดอกุศลอยากที่จะให้มันหายไปแบบถาวรเลยก <üyorum> ็ต้องคิดแต่เรื่องที่เป็นกุศลทุกครั้งที่เกิดอกุศลเราก็ต้องคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลแทนเช่นเราบริกรรมพุโทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางต่าง ถ้าเรามีสติควบคุมความคิดได้แล้วต่อไปความคิดก็จะไม่คิดไปในทางอากุศลถ้าคิดไปเราก็จะใช้ปัญญาพิจารณาว่ า, เ, าเป็นเป็นธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่ต้องไปทำอะไรตามอากุศ ล, ลรู้ว่ามันเป็นเพียงความคิดคิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปถ้าเราไม่ไปทําตามที่คิดมันก็ไม่มีผลตามมา แต่เราบางทีก็ห้ามเขาไม่ได้มันเขาก็าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคําถามข้อต่อไปนะครับทําอย่างไรให้อกุศลที่เกิดซ้ําๆเมื่อเจอผัสสะนั้นๆดับไปแบบถาวรก็ต้องเจริญปัญญาพิจารณาสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีอกุศลต่อสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ <c oughs> ที่เราเกิดอกุศลเพราะเรามีโมหะอาวิชชามองว่าเขาดีบ้างมองว่าเขาไม่ดีบ้างพอมองในสิ่งที่ไม่ดีเราก็เกิดอกุศลขึ้นมาแต่ถ้าเรามองว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังทุกขังนาตาเราก็จะไม่เกิดอกุศลตามมาปัญหาข้อต่อไปนะครับบางพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเมื่ออกุศลเกิด ก็ให้ควบคุมไม่ให้เกิดการเข้าไปควบคุมของดิฉันที่ทำคือเหมือนจะกดหรือไม่ให้มันผุดขึ้นมาเวลาเจอผัสสะคือตั้งใจควบคุมไม่ให้มันเกิดหรือไม่ให้มันคิดไม่ดีมันไปควบคุมที่ปลายเหตุไม่ได้ต้องไปควบคุมที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือโมหะความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตน เห็นสิ่งที่ไม่สุขไม่ทุกข์ว่าสุขบ้างทุกข์บ้างก็เลยเกิดความปฏิกิริยาต่อต้านเห็นสิ่งที่สุขก็ชอบอยากได้เกิดภาวะตัณหาขึ้นมาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็เกิดเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ไม่ชอบก็เกิดวิภวะตัณหาความอยากให้มันหายไปขึ้นมา จะ ต, ต้องมองว่ามันเป็นอนัตตาคือเป็นของธรรมดาในโลกนี้เป็นของคู่กันในโลกนี้มีของดีของไม่ดีมีสุขมีทุกขก์คู่กันไปมีมีเจริญมีเสื่อมคู่กันไปเป็นธรรมดาอย่างที่โลกธรรมแปดนี้ก็มีอยู่สี่คู่ด้วยกันมีการเจริญลาบเสื่อมลาบนี่ก็หนึ่งคู่มีการเจริญยศเสื่อมยศก็อีกหนึ่งคู่ มีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงสุขก็กลายเป็นทุกข์ได้การเจริญลาบก็ก็กลายเป็นการเสื่อมลาบได้การเจริญยศก็เป็นกลายเป็นการเสื่อมยศได้การสรรเสริญก็จะกลายเป็นการนินทาได้อันนี้เป็นปกติของโลกที่เรียกว่าโลกกระทัมแป ที่จะอยู่เหนือโลกธรรมแปได้ก็ต้องมีสติปัญญารู้ทันแล้วปล่อยวางคือไม่ยินดีกับการเจริญของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสถ้าไม่มีความยินดีแนละ้เวลาเกิดความเสื่อมก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้ามีความยินดีในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสโถดทพะเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดอาการเสรื่อมขึ้นมาก็จะเกิด ความทุกข์ขึ้นมาเกิดอกุศลขึ้นมาเกิดความคิดไม่ดีขึ้นมา ไ, มได้ดังนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาของอกุศลก็คือต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจะแก้ได้อย่างถาวรถ้าใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธก็จะแก้ได้ชั่วคราวคือระ ง, งับกฎมันไว้อย่างที่ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมามันก็ยังจะคิดไปในทางอากุศลอยู่ จนกาจะเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเราไปหลงมันเองเราไปหลงว่าดินก้อนนี้ดีกว่าก้อนนั้นก้อนนี้มีราคาสิบล้านก้อนนี้มีราคาหนึ่งพันเนี่ยมันก็เป็นดินเหมือนกันนะก้อนหินสั่งก้อนหินมาบรรทุกมาใส่รถเต็มรถเนี่ยราคาแค่พันกว่าบาทถ้าเป็นเพชรเต็มรถอย่างนั้นมันไม่รู้กี่พันล้านเนี่ย แล้วมันเป็นหินน่ไม่เหมือนกันตรงไหนมันก็เป็นหินเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันแต่เราไปให้ความหมายมันต่างกันเราไปให้คุณค่าของมันเองต่างกันนี่เป็นความหลงมองไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าเขาไม่มีประโยชน์ไม่มีโทษกับจิตใจของเราเลยจิตใจของเราไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขไปกับเขาอันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าจิตใจของเราสุกทุกข์อยู่ที่กิเลสตัณหาเท่านั้นเองอยู่ที่ ความอยากนี้เท่านั้นเองดงั้นพอเราปฏิบัติเข้าถึงอริยสัจสีแล้วเราก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีความหมายสําหรับจิตใจเลย <c oughs> จิตใจไปหลงยึดติด ก, กับเขาเองไปให้คุณค่ากับเขาเองถ้เกิดเกิดกุศลอกุศลตามมาเท่านั้นเองดอย่าไปสนใจอย่าไปบังคับมันเลย เรื่องกุศลและไม่กุศ ล, ลมันเป็นผลที่เกิดจากจากกิเลสตัณหาจากโมหะวิชาถ้าเราต้องการให้มันดับไปเราก็ต้องมาดับต้นเหตุก็คือกิเลสตัณหาโมหะวิชาและเครื่องมือที่จะดับมันก็คือทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญานี้เท่านั้นให้รู้แค่นี้แล้วก็พยายามสร้างเครื่องมือที่มาดับมันจากคุณมณีรัตนะครับเรียนถามพระอาจารย์ว่า การรักษาศีลกับการทําบุญอันไหนดีกว่ากันคือบุญนี่มันมีหลายระดับไงการทําทานนี่เราก็เรียกว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งการรักษาศีลก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งการภาวนาก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งมันเป็นต่างระดับกันระดับแรกก็คือทานระดับที่สองก็ศีล ระดับที่สมก็คือภาวนาที่ต่างกันเพราะอะไรก็เพราะว่าความยากง่ายมันต่างกันการทําบุญให้ทานนี้มันง่ายกว่าการทําบุญรักษาศีลการทําบุญรักษาศีลมันง่ายกว่าการปฏิบัติจิตตภาวนาเหมือนกับการเรียนหนังสือเรียนชั้นประถมย่อมง่ายกว่าเรียนชั้นมัธยม <c oughs> เรียนชั้นมัธยมย่อมง่ายกว่าการเรียนชั้นอุดมศึกษา แต่ก่อนที่เราจะก้าวขึ้นสู่ อ, อุดมศึกษาได้เราก็ต้องเรียนชั้นมัธยมให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะเรียนชั้นมัธยมได้เราก็ต้องเรียนชั้นปถมให้ได้ก่อนอพระเจ้าจึงทรงสอนบุญเป็นขั้นขั้นไปบุญสามขั้นต้องทำทานก่อนเพื่อจะได้ก้าวสู่สู่การรักษาศีลเมื่อรักษาศีลได้แล้วก็จะได้ก้าวขึ้นสู่การภาวนาได้ตามลาดับต่อไป ทีนี้คนบางคนนี้มีความโลภมากอยากจะได้บุญมากพอก็บอกว่าภาวนาได้บุญมากก็เลยจะไปภาวนาเลยแต่ใจยังขวงครับสมบัติเข้าของเงินทองยังตนหนีขี้เหนียวอยู่ยังรักษาศีลไม่ได้อย่างนี้มันก็เหมือนกับจะไปสอบเข้ามหาลัยโดยที่ไม่ได้เรียนประถมไม่ได้เรียนมัธยมมันจะเข้าได้อย่างไรมันเข้าไม่ได้มันภาวนาไม่ได้ นอกจากว่าเคยทำทานเคยทาศีลมาแล้วในอดีตชาติอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งจบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับงนั้นคนเราแต่ละคนนี่ได้สะสมบุญมาไม่เท่ากันไงบางคนในอดีตได้ทำทานมามากได้รักษาศีลม า, มากพอมาเกิดชาตินี้ก็ไปบวชได้เลยเแสดงว่าเขาทำทานได้รักษาศีลได้แล้ว การบวชของเขานี่ไม่ยากเย็นอะไรเลยแต่บางคนนี่ไปบวชได้เจ็ดวันสิบห้าวันก็อยากจะสึกแล้วอยู่ไม่ได้อยากจะกลับมาหาเงินหาทองห า, หาความสุขอยากจะมาดื่มสุราอยากจะมาประพฤติผิดตระเวนีอยากจะไปเที่ยวโสเพณีอย่างนี้พวกนี้ก็บวชไปก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีบวชไปแล้วก็ต้องสึกออกมาเพราะยังไม่มีพื้นฐาน ใจยังโลภอยากได้ทรัพย์ยางอยากได้ความสุขที่เกิดจากการหาทรัพย์ใช้ทัพย์อยู่คนที่เขาคนที่เขาทาบุญทําทานได้ก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการใช้เงินทองเป็นการในการหาความสุขเขาได้ความสุขจากการให้ทานจากการศียสละเขาได้ความสุขจากการรักษาศีลเขาถึงไปภาวนาได้ ดังนั้นเราต้องดูตัวเราก่อนว่าเราทําบุญทําทานได้หรือเปล่าหรือเรายังหวงสมบัติยังอยากได้สมบัติยังอยากใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆอยู่ถ้าเรายังอยู่อย่างนั้นอยู่เราก็จะรักษาศินไม่ได้เมื่อเรารักษาศินไม่ได้เราจะไปภาวนานี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนั้นเราต้องปฏิบัติไปเป็นขั้นเป็นตอนไปเพราะมันสนับสนุนกันทานจะสนับสนุนให้การรักษาศินนี้เป็นไปได้อย่างง่ายได้ สีลก็จะสนับสนุนให้การภาวนาเป็นไปได้อย่างง่ายได้การภาวนาก็มีอยู่สองขั้นขั้นแรกก็ขั้นสมถะความสงบออพอจากขั้นแล้วถ้ามีความสงบก็จะเข้าสู่ขั้นที่สองได้ก็คือขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาพอมีปัญญาก็จะสามารถทําจิตให้หลุดพ้นได้เออนี่ยคือ ขั้นตอนของธรรมต่างๆที่เป็นเหมือนขั้นบันไดที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติกันฉะ้นเราต้องถามตัวเราเองว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างขาดอะไรบ้างถ้าเรายังขาดสินนั่นอยู่สิลยังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องกลับมารักษาสินให้บริสุทธิ์ถ้ายังตนหีกี้เหนียวยังโลภอยากให้เงินใช้อยากได้เงินได้ทองอยากจะใช้เงินซื้อความสุขอยู่ก็ต้องกลับต้องเลิก ต้องไม่หาความสุขจากการหาเงินหาทองจากการใช้เงินใช้ทองมีใครอยากจะถามปราชายไหมถ้าไม่มีวันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติ เพ shorts, ื realidad, Guys, ่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอเป็นยังไงมีมีคำถามมีอะไรหรือเปล่าอันนี้บทใหม่เลยเฮ้ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก u e s t i o n พระสัมมาสัมพุทนเจ้า I'll always, always, always. Your questions. Any questions coming o mind? u u h Really thankful for uh, yeah. practice over there and the all t of peace in my heart. Mm -hmm. uh, yes. <clears throat> the The goal of the practice is to find peace of mind. <clears throat> to find to peace of mind, you have to get rid of the cause that disrupt this peace of mind. And the Buddha said that the cause of disruption is, is your desire or your cravings, yeah. craving for s sens e n s u a l sensual gratification, uh, craving for being, and craving for not being. These are the three uh, three causes of uh, disruption of the peace of mind. So, if you want to find peace of mind, you have to eliminate these three cravings, and the tools or the means of eliminating them: s i l a s a m a d h i and pañña. So you have to maintain a pure s i l a and develop s a m a d h i s a m a d h i is peace of mind, but it's temporary. It only lasts while you are in samadhi. Once you come out of samadhi, your mind can be disrupted. Your peace of mind could be disrupted by your cravings and your desire. In order to get rid of your desire or craving when you come out of samadhi, you have to use vipassana or panna. You have to know that the cause of the. You have to know first of all that your desire, your craving, is the culprit. Is the one that prevent you from having peace of mind. So you must not do what your desire asks you to do. If you want to drink something that is not necessary for your body, then don't drink. Yeah. Just drink only the things that is necessary, like water. But anything else will be more for your desire, your cravings, like coffee. Yeah. Beverages, you can drink them, but you have to have moderation and have the the time for its c h e d u l e Just not do it while w h you want it. You know, maybe you can have it with your meal, or you can have it with your uh, beverage, afternoon drinks. You know, but otherwise, you you don't want to drink anything else beside water. This way will prevent you from uh, doing. Going after your desire, because if you keep following your desire, your desire will become more and more intense, more stronger, and it will disrupt your peace of mind. So this is what we personize. You must say that by doing what your desire want you to do, will only give you a t e m p o r a r y gratification, but it will create more desire afterwards. So it will be endless. You will never find peace this way. The only way to find peace is to resist your desire, your cravings. Only eat for the body, not eat for your desire. Or drink for your body, not drink for your desire. Okay. Alright. How is it? There i a b u p a in t i เดีออกพรราแล้วเประมาณสักประมาณสามสิบสามสิบรรษาประมาณหกสิบกว่ามสิบนี่ก็เป็นพระประจำเป็นชาวต่างประเทศเยอะรูกว่าเยอะกว่ากชาวต่างประเทศเครื่องหนึ่งชาวไทยเครื่องนึ่งี้แะเยอะกว่าเยอะกว่าก็บอกเหลือสามสิบกว่า ชาวต่างประเทศสิบกว่าอ๋อม่ติดเทีนอกพรรษาตรนนี้อก็มีออกออกไปบ้างแล้วกันอ๋อท่าในพรรษาก็ประมาณสองสอ๋อท่านไม่ได้ให้อยู่ตลอดห้าพรรษาเลยพวกที่บวชอยู่กับท่านเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากที่รู้จักแล้วก็มาขออยู่พรรษาอ๋ออยู่ชั่วคราวแต่ที่บวชอยู่ก็ต้องอยู่ห้าพรรษาขึ้นไปนะ แล้วพราชาวอินโดนีเซียยังอยู่ป่าวบอ๋อเขียนบอกผมว่าเ อ, อ่อจะไปพอดีจะจะต้องไปต่อวีซ่าที่ ป, ประเทศอชาติครับเอ่าประมาณเดือนน่าคตอนนี้ยังอยู่เลยตอนนี้อยูอ่แต่เดี๋ยววันที่สิบนี้จะไปที่เพชรบูรณ์ครับอืมเพราะว่าจะไปไปภักอที่นั่นประมาณหนึ่งเดือนพระพุทธเจ้าว่าจะเดินทางไปอินเดียนหนึ่งเดือนให้เขาไปช่ดีน่อยป่ ท่านพระชาวออสเตรียย in ังอยู่ใช่ไหมที่เคยมารลาลูกกที่เคยมาอยู่บ่อยๆนะจำชื่อไม่ได้คงใช่ไหมอ่าอันอครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่าท่านอยากจะถามอะไร ถ้ไม่รู้ไม่ถามก็เอาหนังสือซีดีไปอ่านก็นแล้วกันเมื่อกีก็ได้ฟังบางส่วนแล้วนะงั้นก็ขอเชิญหยิบหนังสือซีดีไปตามสบายไป <c oughs> อ่านไปดูไปฟังกันนะไม่มีก็ภาวนานะงานของเราก็คืองานภาวนาหลุดพ้นได้ก็หลุดพ้นด้วยการภาวนา งานอย่างอื่นก็เป็นงานสนับสนุนการภาวนานะขอให้เราอย่าลงทางอย่าไปทำงานสนับสนุนจนลืมงานหลักของเราการสนับสนุนก็คือการเย็บจีวรงานอะไรเกี่ยวกับบริการกุติลาลาอะไรต่างๆงานี้งานหลานี้เราเรียกว่าเป็นงานสนับสนุนงานหลักของเรางานจลกของเรางานหลัก งานหลักของเราก็คือการภาวนาเดินโย ก, กรมนั่งสมาธิปิกวิเวกอยู่คนเดียวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะเดินสติอย่างต่อเนื่องเพื่อทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาพอมีมีความสงบเป็นอุเบกขาแล้วก็พิจารณาธรรมต่างๆให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากคือการมตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหา พราะไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาพ่อคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขแต่ความจริงได้มาแล้วก็จะต้องมาทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ได้มาย่อมมีการเปลี่ยนไปมีการสูญไปถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังก็จะไม่อยากได้อะไรถ้าเห็นว่าเป็นอนัตตาก็จะไม่อยากได้อะไรนี่คือปัญญาทาปัญญาสลับกับสมาธิ พิจารณาจนรู้สึกเมื่อยเหนื่อยก็หยุดแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิทําจิตให้สงบใหม่พอจิตสงบพัดพอแล้วออกมาก็พิจารณาใหม่เรื่องเก่านะพิจารณาไปเรื่อยเช่นร่างกายก็พิจารณาไปเรื่อยๆอสุภะก็พิจารณาไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถทําลายการมรัคฐาให้หมดไปให้ได้ถ้ายังไม่หมดก็ต้องพิจารณาต่อไป จนกระทั่งมันมันไม่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาจะเห็นภาพสวยงามขนาดไหนมันก็จะเห็นอสุภะขึ้นมาพร้อมๆกัน <c oughs> มันมีของอยู่ในที่เดียวกันนะอยู่ที่เราจะมองส่วนไหนมองภายนอกหรือมองภายในมองปัจจุบันหรือมองอนาคตอนาคตก็คือตอนแก่ตอนเจ็บตอนตาย <c oughs> ถ้ามองภายในก็มองเอ า, อาการสามสิบสอง มอง็ิปฏิกูลมองอุจจาระปัสสาวะของเหล่านี้มันมีอยู่ในทุกคนไม่ว่าจะสวยไม่สวย <c oughs> อยู่ที่จะมองหรือไม่มองถ้ามองมันก็จะดับการมารลมได้ <c oughs> ถ้าเกิดการมารลมถ้าไม่เกิดการมารมมันก็จะไม่ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องเจริญปัญญาบ่อย อาการสาสิบสองอสุภะปฏิกูลุสร้างศพอันนี้จะเป็นยาสำคัญในการคุมกำเนิดของกามตัณหากามราคะกามอารมณ์ต่างๆแล้วจะทำลายมันได้ในที่สุดก็ขอเอาแค่นี้ก่อนนะวันนี้พูดมายาวแล้วเหนื่อยก็พอถูไถ่ายไปได้ เจ็บบ้างหายบ้างเป็นไปตามตามเรื่องของร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่กับมันไปใช้มันได้ก็ใช้ไปใช้ไม่ได้ก็จอดเฉพ า, ยย า, าะสาววัดวัดมาบจันนี้รับกระถิ่นแล้วใช่ไหมได้ข่าวว่าวัดบุญายาว่านยังไม่ได้รับใช่ไหมทร้บไหอ ไม่ได้ติดต่อกับทางวัดพุทธยาวานอ <c oughs> ย่างนง้นก็ขอเชิญมาหยิบซีดีหนังสือไปได้ตามอัทยาไซแล้วท่านบอกว่าท่านมาเวลามาจะได้จต่ของกำลังใจไม่เคยรู้เลยว่าข้างบนมีอางรแล้วแบบมีถามตอบแบบดีมากเลยเนี <c oughs> ่ยอา ไม่เหมือนกันท ร, รมาบนเขากับท ร, รมาทิเทศข้างล่างจะต่างกัน <c oughs> แต่ทมาข้างล่างก็จะสอนญาติโยมที่ทำบุญใส่บาตร <c oughs> <c oughs> แต่ข้างบนนี้จะเป็นญาติโยมที่สนใจในเรื่องการภาวนา <c oughs> ก็จะเจาะลึกเข้าไปในทางภาวนาทางด้านปฏิบัติ ต้องดูคนฟังว่าเขารับอะไรได้หรือไม่ได้คนขั้นล่างนี้ถ้าพูดไปถึงการปฏิบัติเขาจะไม่เข้าใจเพราะเขายังไม่ได้ปฏิบัติ mm hmm. ก็ต้องสอนโน้มน้าวให้เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติก่อน <c oughs> พอเขาสนใจแล้วเขาปฏิบัติแล้วเขาก็จะขึ้นมาฟังบนนี้เองเขาก็จะรู้ mm hmm. Have you seen my my book in English? Yeah. In what m a r k e s yeah. yeah, yeah. Okay. I gave some to the Australian monk when he came last time. Yeah. Yeah, I read, I read okay. Okay. So. Yeah, and the teaching of Long Tam Mah Bo. Fourth d a s a n a Yeah, these two volumes is a is a big, yeah, big idea. book. Bit, yeah. yeah. I did that translation. Mm. <clears throat> so if you read that, can it can be helpful to your practice? Mm. But I'm pretty sure you have a very good teacher there, a l r e a d y really. You have Ajahn Ananda, so you know you don't need anything else. a <laughs> l right, just stick to his teaching. Follow what he tells you to do. Be patient. <clears throat> Just keep on walking. One day you'll get to your destination. Mm -hmm. It's a long road. Mm -hmm. Mm -hmm.